ช่วงนี้อากาศร้อนข้าวคันร้อนมากผสมกับเป็นฤดูร้อนอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยสังเกตใจของเราบ้างหรือเปล่าใจเรารู้สึกยังไงนะเมื่อความร้อนมันสัมผัสกายใจมีความรู้สึก หงุดหงิดบ้างหรือเปล่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นข้างในไหมใจมันบนโวยวายหรือเปล่าต้องสังเกตนะเพราะถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยอาการของใจเนี่ยเช่นบนที่โพยตีพายหงุดหงิด ไม่พอใจเรียกมรวมว่าโทสะเนี่ยมันก็จะทำให้ใจเป็นทุกข์กลายเป็นว่าไม่ใช่กายเท่านั้นที่ร้อนนะใจก็ร้อนด้วยส่วนใหญ่คนที่เป็นทุกข์เพราะอากาศร้อนไม่ได้ทุกข์แค่กายนะ ทุกใจด้วยแต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นนะไอ้ความทุกใจเนี่ยเห็นแต่ความทุกกายแล้วพอไม่เห็นเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าไม่เห็นแล้วก็กคือไม่มีนะไม่เห็นความทุกใจไม่เห็นความร้อนใจที่เกิดขึ้นเนี่ย มันก็ยิ่งลุกลามมากขึ้นแล้วมันก็ไปซ้ำเติมกายที่ร้อนอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นทุกข์มากขึ้นเรียกว่าทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเรามาเจริญสติเรามาภาวนาเนี่ยต้องละเอียดพอที่จะเห็นนะ เห็นอาการที่เป็นเกิดขึ้นที่ใจความหงุดหงิดความไม่พอใจโทสะที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดความคิดที่ออกมาก็ยิ่งไปซ้าเติมใจให้เป็นทุกข์มากขึ้นเช่นอาจาร ลึกโมโหหรือว่าคิดว่าเราไม่น่ามาเลยนะทําไมเรามาช่วงนี้นะหรือว่าทําไมนะครูบาอาจารย์นะให้เรามาปฏิบัติตรงนี้ทําไมไม่ไปไปปฏิบัติตรงโน้นนะทำไมไม่เปิดพัดลมหรือว่าทําไมไม่มีพัดลมให้มากกว่า น, นี้นะ มันจะคิดไปเรื่อยๆและยิ่งคิดก็ยิ่งทําให้เกิดความทุกข์ใจและความทุกข์ใจก็ทําให้กายนี้เป็นทุกข์เพิ่มขึ้นเมื่อเรามามเจเรื่สติที่นี่เนี่ยก็ให้นะให้ฉลาดพอแล้วก็ไวพอที่จะเห็นนะอาการของใจด้วยอันนี้เรียกว่าดูใจนะ ดูใจอยู่เรื่อยๆในทำรองเดียวกันนะเวลาปวดเวลาเมื่อยสังเกตไมมว่ามันไม่ใช่แค่กายที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ขาที่ปวดนะหรือว่าขาที่เมื่อยนันจะมีใจที่ทุกข์ซ้อนหรือทับไปด้วย นะใจที่บนตีโพธิพายไม่ชอบใจที่เกิดโทสะขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้แค่ปวดเมื่อยกายแต่ว่าใจก็เป็นทุกข์ด้วยถามว่าทำไมใจจึงเป็นทุกขนะ์ในเมื่อความปวดความเมื่อยนะ มันเกิดกับกายเวลาแดดร้อนเนี่ยหรืออากาศอ้าวเนี่ยทั้งแดดทั้งอากาศมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรกั บ, กบใจเลยมันก็แค่มาสัมผัสกายก็สมควรนะ ท, ที่กายจะเป็นทุกข์นะหรือเกิดเวทนาแต่ว่าใจมันไม่ได้โดนด้วยเนี่ยแดดร้อนก็ไม่ได้มาสัมผัสใจ อากาศอ้าวก็ไม่ได้มาทำอะไรกับใจแล้วทำไมใจเป็นทุกข์เวลาเรานั่งนะนั่งขัดสมาธินะนั่งพับเพียบใจมันก็ไม่ได้พับเพียบตามกายแล้วทำไมใจถึงทุกข์เออถ้ากายเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้ก็มีเหตุผลเพราะว่าขาพับหรือว่า นั่งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆมันก็เป็นธรรมชาติของกายที่จะมีเวทนานะมีความปวดความเมื่อยแต่ใจมันไม่ได้อยู่ในอีเรียบทอย่างนั้นเนี่ยแล้วนะทำไมใจเป็นทุกข์เนะเคยสังเกตรหรือเปล่าในทั้งสองเดียวกันนะเวลาเราเดินล้วเกิดว่ามีมดนาัตไาก เท้าไตาขานะแล้วกัดเนี่ยมันกัดก็เจ็บนะหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดแต่ไม่ค่อยสังเกตนะว่ามันไม่ใช่กายนะที่เจ็บนะใจก็เจ็บด้วยใจก็บน่นใจก็ไม่พอใจ มีอาการผักใสมันก็น่าคิดนะว่าใจก็ไม่ได้โดนมดกัดนะมดมันกัดแค่กายแล้วทําไมใจเป็นทุกข์แต่คําตอบเนี่ยนะเราคงจะไม่พบหรอกถ้าเกิดว่าแม้แต่ความทุกข์ของใจเรายังไม่รับรู้เลยเรายังคิดแต่เพียงว่าโอ้กายมันทุกข์นะแต่เราไม่ละเอียดพอที่จะเห็นลึกลงไปว่า ใจเขเป็นทุกข์ด้วยทําไมใจทุกข์ใจปวดใจเจ็บเราถึงไม่รู้สึกไม่รับรู้นะอันนี้เพราะว่าเรานะีไม่ค่อยหมั่นมาดูใจเท่าไหรนะ่เรารับรู้หรือเราจดจ่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเรารับรู้จดจ่อแต่สิ่งที่มากระทบกาย เป็นอากาศก็ดีเป็นความร้อนก็ดีเป็นมดก็ดียุงก็ได้เนะี่ยอันนี้ผู้เรียนคือว่าจิตน่ะส่งออกนอกเนยะเราชอบส่งจิตออกนอกไปรับรู้เรื่องข้างนอกหรืออย่างมากก็แค่รับรู้กายนะเราไม่ค่อยกลับมาดูใจเท่าไหร่เวลาใจทุกเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าใจมันทุกแต่เราก็รู้สึกลมๆว่าไม่ชอบนะ แล้วก็หงุดหงิดขึ้นมาแต่แม้หงุดหงิดหลายคนก็ไม่รู้ตัวนะว่าหงุดหงิดนะเช่นเดียวกันเวลาโกรธบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใจมันโกรธอันนี้เราไม่รู้ตัวแต่พูดให้ให้ชัดลงไปนะคือไม่รู้ใจไม่รู้ใจของตัวให้เราอยากให้คนอื่นรู้ใจเรานะหรือว่าบางทีเราก็อยากไปรู้ใจคนอื่น อยากจะรู้ใจเขาเหลือเกินนะว่าเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้แต่ว่าใจตัวเองเนี่ยกลับไม่รู้อยาให้คนอื่นมารู้ใจเราแล้วตัวเราเนี่ยรู้ใจเราหรื อ, อยังลองสังเกตดนะูถ้าเรามาดูมามันดูใจสังเกตใจของเราเนี่ย เราจะพบว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเวลาแดดร้อนอากาศอ้าวเนี่ยตัวการเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อากาศร้อนนะหรือแดดที่แรงเท่านั้นนะไอ้ตัวการอีกตัวหนึ่งนะก็คือสิ่งที่อยู่ในใจเราหรืออาการของใจเรา ผู้อย่ารคือว่าการวางใจที่ไม่ถูกต้องนะคนเราเนี่ยมกักพอไม่ไม่มั่นสังเกตดูใจนะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไปโทษสิ่งภายนอกนะเคยพาคนไปเดินจงกรมไปเดินจงกรมอยูอ่ในสวน ตอนนั้นไปอบรมนะที่จังหวัดชุมพรนะก็เมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองกิจวัตรอันหนึ่งก็คือเดินจงกรมนะรอบสวนเช้าแล้วก็เย็นก็ช่วงนั้นก็มีฝนตกพอดีนะฝนตกเนี่ยมันก็หมายความว่ามดเนี่ยมันก็แตกรังมันก็จะมันก็จะเดินเพ่นผ่านนะอยู่ตามทาง ทั้งที่เป็นทางที่ราดด้วยทรายแล้วก็ทางที่มันเป็นเป็นหญ้าเนี่ยพอเดินหมดมันก็โกรนต่ายขึ้นมาตามตัวตามขาหลายคนก็ทนไม่ได้ก็ปัดเมื่อเดินเสร็จประมาณสักสี่สิบห้านาทีก็มาสนทนากัน ก็มีหลายคนก็บอกว่าเนี่ยนะมดมดนะมดมันมดมันกัดนะก็เลยเไม่สามารถที่จะเดินได้ตามปกติก็ต้องเอามือปัดถามเขาละเอียดหน่อยว่าทำไมถึงเอามือปัดก็บอกเพราะมดกัดอาตอมาว่ายังตอบไม่ถูกนะลอง ลองดูลองพิจารณาเองสักหน่อยแล้วก็ลองตอบดูสิตอบให้ถูกว่าอะไรทําให้มือปัดแล้วก็ตอบเพราะมดกัดอตองก็ถามว่าแล้วก่อนจะปัดเนี่ยนะมันมีความอยากที่จะปัดด้ว อ, อเข่ขาเพราะเออเขาก็ยอมแล้วเออใช่นะไ อ, คอ้ความอยากเนี่ยความอยากจะปัดเนี่ยมันทำให้ลงมือปัดจริงๆ มดกัดนี่มันยังไม่ใช่เป็นเหตุผลที่ทําให้เอามือปัดนะมันต้องมีความอยากก่อนที่จะเอามือปัดใช่ไหมคำถามต่อ ว, ว่าทําไมถึงมีความอยากทําไมถึงอยากจะปัดนะก็กงงนะก็หลายก็ก็ตอบไม่ได้มันมีความไม่ชอบใช่ไหมมันมีความไม่ชอบนะที่มดกัดใช่ไหม เ, เขาก็ยอมแล้วนะเออใช่ พอมีความไม่ชอบนะก็เลยทำให้อยากปัดพออยากปัดก็เลยนะลงมือปัดเลยถ้าถาม่าก่อนที่จะไม่ชอบเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะแล้ว ก, ก็นึกอยู่แล้วก็กตอบไม่ได้นะมันมีความปวดนะมดกัดทำให้ปวดเนี่ยปัดมหมก็ไม่ปัดใช่ไหมมันมีความปวดเกิดขึ้น มีความปวดมีความคันเกิดขึ้นก็เลยไม่ชอบเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจมันก็เลยเป็นเหตุทำให้เกิดความอยากที่จะปัดนะเพราะว่าความโกรธเนี่ยมันทำให้เกิดการผลักไสเมื่อโกรธก็อยากจะผลักไสอยากจะทำลายใช่ ไ, ไอ้ความอยากจะผลักไสอยากจะทำลายเนี่ยมันเกิดขึ้นไหมถ้าไม่มีความโกรธ ถ้ามีความรักเนี่ยมันอยากจะผลักใส่ไหมมันไม่มีมันมีแต่อยากจะเข้าหานะ เ, าเมื่อมันมีความโกรธมันถึงอยากจะผลักใส่อยากจะเอามือปัดและเมื่อมีความอยากที่จะเอามือปัดมันถ้าไม่มีสติมันก็ปัดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนช่วงระหว่างที่มีความอยากที่จะเอามือปัดเนี่ยแล้วก็ลงมือปัดจริงๆเนี่ยนะ มันยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือไม่มีสติเหมือนกับหลายคนในที่เนี่ยอยากลุกเพราะว่าอาจจะปวดอาจจะเมื่อยอาจจะอาจจะอยากจะไปเบาแต่หลายคนเมื่อมีความอยากแล้วแต่ก็ไม่ลุกอยากลุกแต่ไม่ลุกเพราะอะไรเพราะมีสตินะรู้ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะลุกน ะ, ะก็ให้ต้องจบการบรรยายก่อนถึงจะลุกได้ ว่าเพะเนี่ยพงแค่มีความอยากเนี่ยมันก็ไม่ใช่แปลว่าจะทําให้เราลงมือทํำนะในกรณีที่เดินจงกรมเนี่ยอยากจะปัดนะก็ยัออยงถ้ามีสติมันก็ยังไม่ปัดนะเพราะว่าบอกตั้งแต่แรกว่าให้เราเดินจงกรมด้วยความสงบสํารวมแต่เนื่องจากความมีความอยากแล้วมันก็ลืมไม่มีสติก็เลยเอามือปัดนะนั่นจะเห็นได้ว่าเนี่ย มดกัดเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เอามือปัดนะมันยังมีกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจที่สุดท้ายเป็นเหตุทําให้เราเอามือปัดนะมีเคียดตามมาบอกว่าเนี่ยเอามือปัดเพราะมันมีความอยากและที่มีความอยากเพราะมีความไม่ชอบมันมีโทสะและที่มีโทสะเพราะมันมีความเจ็บแต่ความเจ็บเนี่ยนะ มันก็ไม่เชิงทามันจะทำให้เกิดโทสะได้เนี่ยมันต้องมีอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นความเจ็บเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโทสะทีเดียวนะเจ็บในที่นี้คือเจ็บขาเจ็บเท้านะมันต้องมีความรู้สึกว่ากูเจ็บแต่มันไม่ใช่แค่ขาเจ็บมันมีความรู้สึกกูเจ็บและดังนั้นมันจึงเกิดโทสะกูไม่ชอบกูกโกรธ แล้วก็เลยกูก็อยากจะปัดออกไปแต่ว่าถ้ามีสติมันก็ยังไม่ลงมือปัดนะแต่พอไม่มีสติก็ปัดทันทีนะนั่นจะเห็นได้ว่ามดกัดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุผลหรือสาเหตุที่ทำให้เราเอามือปัดมันยังมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นในใจเรานะหลายขั้นตอนทีเดียว เช่นพอมดกัดก็เกิดเวทนาคือความเจ็บความปวดแล้วมันก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เท้าวปวดขาวปวดไม่มีความรูส ก, กูปวดนั่นแปลว่ามันมีการปรุงตัวกูขึ้นมาปรุงตัวกูขึ้นมานอะไรปรุงก็คือจิตนั่นแหละปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดเป็นเจ้าของความปวดและเพราะเหตุนั้นจึงเกิดโทสะเกิดความไม่ชอบเกิดความ ยินร้ายเกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดนะแล้วเมื่อเกิดโทรศัพท์ก็ต้องเกิดความสึกอยากผลักใสจากผลักใส่คืออยากจะปัดนั่นเองนะถ้าไม่อยากปัดก็ถ้าไม่อยากปัดก็อาจจะอยากบี้นะหรือว่าอยากกระทืบนะมันก็เป็นอาการที่เกิดจากความเกิดจากโทรศัพท์นะอยากปัดอยากบี้อยากกระทืบนะ แต่ว่าถ้ามีสติมันก็ยั้งเอาไวนะ้ก็อดทนเอานะแต่พอไม่มีสติปุ๊บอ่มือทำทาหน้าที่เลยนะหรือว่าเท้าก็ลงมือเลย ต, ตรงนี้เนี่ยคนไม่ค่อยสังเกตนะไม่ค่อยสังเกตแล้วก็ไม่ตระหนักว่าไอ้ไอ้กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในใจนมันทาให้ทุกข์ทำให้ใจทุกข์ มดกัดเนี่ยมันทําให้แค่กายเจ็บกายคันหรือว่าขาปวดแต่มันไม่ทําให้ใจทุกข์ไอ้ใจทุกข์เพราะมันมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นภายในแล้วนอกจากตัวเองทุกข์แล้วเนี่ยอาจจะทําให้คนอื่นทุกข์ด้วยเช่นไนะอ้ทาให้มดเป็นทุกข์นะเพราะว่าเอามือไปปาดมันเอามือไปเอามือปาดมันยังไม่เท่าไหร่นะแต่เอามือไปบี้มันเอาเท้าไปกระทืบ ม, มันเนี่ยนะ คือนอกจากตัวเองทุกข์แล้วเนี่ยมันก็นําไปสู่ความทุกข์ของผู้อื่นตามมาด้วยพูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะชี้ว่าสิ่งภายนอกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอากาศก็ดีนะจะเป็นมดก็ดีนะยุงก็ดีกรวดหินก็ดีเนี่ยที่เราเหยียบลงไปเนี่ยหรือที่มันมาสัมผัสกายเราเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุของความทุกข์ใจ มันทําได้อย่างมากก็คือความทุกข์กายส่วนความทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากการปรุงแต่งภายในและที่มันปรุงแต่งได้เพราะเราไม่สังเกตมันเราก็เลยปล่อยให้มันนะเกิดกระบวนการนะเป็นลูกโซนะ่แต่ถ้าเรารู้ทันนะเช่นเรารู้ทันตั้งแต่ตอนที่เราเกิดเวทนาเกิดความเจ็บความปวดและพอเรามีสติรู้ทันเนี่ยนะ จิตมันก็จะไม่ปรุงนะเป็นความรู้สึกสําคัญมากหมายว่ากู่ปวดนะมันก็เห็นว่าปวดเท้าวปวดแขนหรือว่าตัวกายร้อนนะแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่เป็นทุกข์ก็หมายความว่ากายปวดแต่ว่าใจไม่ปวดเนี่ยนะทําได้นะกายร้อนแต่ใจไม่ร้อนเนี่ยเป็นไปได้นะอันนี้รวมไปถึง ผัสสะที่เกิดขึ้นทางอื่นด้วยนะเมื่อกี้เราพูดถึงแค่ว่าผัสสะที่เราผวดทับพระนะคืออาการที่เกิดขึ้นมากระทบกายกระทบผิวหนังอันนี้เรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผัสสะนะที่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่มันมีผัสสะที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางหูเนี่ยที่ มันกระทบเรานะแล้วก็ทาให้ผู้คนเป็นทุกข์เนี่ยนะก็เช่นคำต่อว่าด่าทอหรือว่าเสียงดังหลายคนเนี่ยพอมีคนต่อว่าด่าทอก็ทุกข์นะโกรธไม่พอใจถามเขาว่าทุกข์ถามว่าเขาโกรธเพราะอะไรเขาก็บอกว่าเพราะว่ามีคนมาด่าฉันอันนี้ก็ยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะเพราะว่ามีคนด่าเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าจะทําให้เกิดความทุกข์ใจโดยอัตโนมัตินะมันอยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เสียงด่าเนี่ยกระทบหูนะแล้วก็รับรู้ว่ามีเสียงด่าเกิดขึ้นมันมีกระบวนการต่อเนื่องหลังจากนั้นจนทําให้เกิดทุกข์ลำพังเพียงแค่ว่าอเสียงด่ามากระทบหูนี่มันไม่ทําให้ทุกข์นะไม่ทําให้ทุกข์ใจไอ้ส่วนทุกข์กายนี่ไม่ทุกอยู่แล้วละเพราะมันเป็นแค่ คึืนลมนะที่มากระทบหูถ้ามันไม่ใช่เสียงดังแบบเอตโตโรเนี่ยนะมันไม่ทุกข์กายหรอกมันแต่ทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะมันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นหรือเพราะเราวางใจไม่ถูกวางใจไม่เป็นแล้ว เ, เมื่อตอนกลางวันก็เล่าให้อาคนักครูเจ้าที่วนรณาสว่างจิตนะถึงกรณีหนึ่งนะเรื่องของแม่ชีสานะซึ่งเป็นลูกศิษย์ หลวงปู่ขาวอนนารโยแม่ชีสานี่ก็เป็นแม่ชีที่ดูแลอุปถามพระดีแล้วก็ปฏิบัติดีด้วยวันหนึ่งหลวงพ่อหลวงปู่ขาวก็สั่งให้ลูกศิษย์สองรูปนะอ่ารูปหนึ่งก็คือถ้าอาจารย์ชุกจวนกุลเชษโทเนี่ยไปด่าแม่ชีสาอยากจะดูว่าแม่ชีสาเนี่นะ มีความโกรธมากน้อยแค่ไหนฟางสองลนลกก็ไปด่านะไปด่านิกุติเลยสัญหาคำต่างๆมาด่ามาดุมาต่อว่าก็คงไม่ถึงขั้นหยาบคายนะแต่ก็แรงแม่ชีสาที่แ้กก็งงนะแต่ว่าก็พนมมือฟังอย่างเดียวฟังจนจบโดยที่ไม่ได้มีอาการฮึดฮัดไม่ได้แสดงความรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าทำไมฉันอุตส่าห์ดูแลพระดี ทำไมครูบาอาจารย์มาว่าแบบนี้พระท่านดาจบนายชีสาก็ถามว่ า, าพระอาจารย์าดาดุด่าว่ากล่าวจบแล้วเหรอฉันฟังแล้วทราบซึ่งเหลือเกินที่ดุด่านี่เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยขาวหน้าก็ด่าใหม่นะเพราะว่าจะได้ช่วยขูดกิเลส ทำไมถ้าเราบอกว่าทุกข์เพราะถูกด่าแต่ทำไมบางคนเนี่ยถูกด่าแล้วก็ไม่ทุกข์อ่ะแสดงว่าลำพังการด่าหรือการถูกด่าเนี่ยมันยังไม่ทำให้ทุกข์ใจมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะเช่นความรู้สึกว่าความรู้สึกการที่เอาอัดตาเนี่ย ไปรับคําด่านะพอเอาอัตตาหรืออีกโก้ไปรับคาด่าก็รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดว่ากูถูกดา่ากูถูกดา่าหรือความรู้สึกปรุงแต่งตามมาว่าเนี่ยโอ้ยฉันอุตส่าห์ดูแลผ้าอย่างดีนะฉันอส่าห์ตั้งใจปฏิบัติ ด, ดีทําไมครูบาจารย์ว่าพูดอย่างนั้นหรืออาคิดว่าโอเนี่ยเสียหน้าเกิดว่ามีคนรู้ว่าครูบาาจารย์มาดา่าเราเนี่ยเขาจะพูดถึงเราอย่างไรเขาจะมองเราอย่างไรรู้สึกเสียหน้ามากเลยนะ กลัวจะตกเป็นข้อที่คอรหาว่ากล่าวของผู้คนพอคิดแบบนี้ข้ามันทุกเลยคือมันมีการปรุงแต่งนนในใจก่อนมันมีความยึดติดถือมั่นแต่ถ้าข้างในใจเนี่ยนะไม่ได้ปรุงแต่งแบบนั้นแต่กลับมองว่าเออคาด่าก็มีประโยชน์นะมันช่วยขูดกิเลสนะมันช่วยลดละอาตานะก็ไม่ทุกนะ เพราะฉะนั้นจะทุกข์หรือไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คําต่อว่าด่าทอแต่มันอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับคําด่านั้นนะหรือทําอย่างไรกับคําด่านั้นนะเช่นปรุงแต่งยึดติดถือมา่นเปรุงตัวกูขึ้นมาตรงนี้แหละที่คนมักจะมองข้ามมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ค่อยมาสังเกตดูใจของตัว เสียงดังก็เหมือนกันนะเสียงดังเสียงดังนี่มันไม่เอมันไม่แ ป, ปลว่าพอมีเสียงดังมากระทบหูแล้วเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีนะมันไม่ใช่หรอกมันยังมีบางอย่างเกิดขึ้นในใจเราก่อนที่จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหลวงพ่ชาเนี่ยนะท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนที่ปลายปลายบรรปลายของ ชีวิตท่านเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นประมาณปี20ก็มีอาจารย์สุดเมโทโธแล้วก็พาฝรั่งอยู่ีกสองสารูปตามไปด้วยเจ้าภาพก็ให้ท่านและคณะเนี่ยพักอยู่ที่วิหารกลางกรุงลอนดอนชื่อวิหารแฮมสเตดวิหารนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับผับบาร์แห่งหนึ่งนะอาจจะเป็นญาติหรือด้วซ้า แลผับบาของฝรั่งเนี่ยนะพอตกค่ำเนี่ยก็จะมีการละเล่นดนตรีมีการร้องเพลงฝรั่งก็ชอบเทียเ่ยวผับนะก็บังเอิญเป็นช่วงที่พระท่านหลวงพ่อพชาท่านพาพระนั่งสมาธิแล้วก็มีการแสดงธรรมช่วงที่นั่งสมาธิประมาณสี่สิบนาทีเนี่ยก็มีเสียงดังเข้ามาจากผับเนี่ยมาถึงวิหารพระหลายรูปที่นั่งสมาธิก็ หงุดหงิดไม่พอใจนะบางท่านก็มีอาการกระสับกระส่ายอันนี้รวมถึงคารวา ด, ด้วยแต่หลวงพ่อชายท่านนั่งนิ่งเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอนั่งสมาธิเสร็จนะก็มีโยมมาก็คงเป็นเจ้าภาพนะมาหาท่านแล้วก็มาขอโทษแล้วก็พูดเพื่อว่าเนี่ยนะขอโทษที่เสียงมารบกวนหลวงพ่อ มีเสียงดังรบกวนหลวงพ่อหลวงพ่อท่านตอบว่าท่านตอบด้วยรอยยิ้มนะท่านบอกว่าเสียงโยมไปคิดว่าเสียงรบกวนโยมนะที่จริงโยมอะไปนรบกวนเสียงตังหากนะโยมยี่งงงเลยนะเสียงไม่ได้รบกวนโยมนะโยมเป็นรบกวนเสียงจึงมีความทุกข์จึงมีความไม่สบายใจ หมายความว่าอย่างไงก็หมายความใจเนี่ยใจของโยมเนี่ยไปทะเลาะบบาแหวงกับเสียงนั้นน่ยไปทะเลาะบบาแหวงกับเสียงไปบนไปพื้นพมไปต่อต้านขัดขืนเสียงนั้นทําไมมันดังจริงโว้ยเนี่ยเมื่อไหร่มันจะอยู่สักทีนะทาไมมันร้องไม่เลิกทําไมมันร้องไม่เพอเลยถ้ามันร้องนะเพราะแบบเอลวิสบิสตันนี้ก็ยังพอว่าอะไรว่าไปนะเี่ยใจเนี่ยมันปรุงแต่งใจมันบน ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ไม่ใช่เพราะเสียงนะมากระทบหูแต่เป็นเพราะใจเนี่ยมันปรุงใจมารู้สึกในทางลบต่อเสียงนี่ถ้าเราไม่มันดูใจนะเราจะไม่เห็นนะและยิ่งเราเนี่ยชอบส่งจิตออกนอกแล้วก็ยิ่งไปโทษนะโทษโทษผับโทษบาโทษเสียงนะไปโทษคนที่ พูดจาต่อว่าด่าทอเรานะอันนี้รวมไปถึงเหตุการณ์อื่นๆด้วยนะเช่นความหนาวรถติดนะงานไม่สำเร็จหรือว่าเจ็บป่วยนะความเจ็บป่วยเนี่ยนะมันอย่างมากก็แค่ทำให้ทุกกายแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าไอ้ตอนที่ทุกๆอยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายเดี๋ยวมันทุกข์ใจด้วย ทุกใจแต่ไม่รู้ว่าทุกใจไปคิดว่ามันเป็นเพราะนะร่างกายเพลียปวดหัวปวดท้องคิดว่าตรงเนี้ทําให้ทุกหรือว่าทุกแค่เนี้ยแต่หมอไม่เห็นหรอกนะไม่ค่อยมองหมอไม่ค่อยเห็นหรือว่ามันมีความทุกข์ใจซ้อนแทรกเข้ามาแล้วเป็นเป็นตัวใหญ่ด้วยพอมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ ความเจ็บความปวดเนี่ยรุนแรงมากขึ้นก็มีการวิจัยพบว่าเนี่ยเวลาเวลาจะฉีดยานะถ้ากลัวเข็มฉีดยาเนี่ยพอโดนเข็มจิ้มไปเนี่ยความรู้สึกเจ็บเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าจะเพิ่มเป็นสามเท่าของคนที่ไม่รู้สึกเจ็บแปลว่าอะไรแปลว่าเข็มจิ้มเนี่ยเจ็บหนึ่งส่วนส่วนความกลัวทำให้เจ็บเพิ่มเป็นสองส่วนรวมเป็นสาม นะความกลัวเนี่ยมันทําให้เจ็บมากขึ้นความเจ็บคูณสามเลยแล้วก็พบว่าเนี่ยนะเอาเพียงแค่ยิ้มอนะเพียงแค่ยิ้มเนี่ยเพียงแค่ยิ้มนะแม้ว่าข้างในจะยังกลัวนะแต่แค่ยิ้มเนี่ยนะทาให้ความเจ็บเนี่ยจากเข็มฉีดยาเนี่ยมันลดไปสี่สิบเปอร์เซ็นตคนที่วิจัยสองเจ้านี่คนละคนนะแต่ว่ามันสอดคล้องกัน ก็คือว่าใจเนี่ยสำคัญเพราะเวลาเรายิ้มนี่นะแม้ว่ามันเีเป็นแค่ยิ้มที่ใบหน้านะแต่มันก็มีผลทําให้ใจเนี่ยเริ่มผ่อนคลายเพราะใจผ่อนคลายเนี่ยให้ความเจ็บมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเวลาเราเจ็บเวลาเราปวดเนี่ยนะลองสังเกตดูนะมันมันมกจะไม่ใช่แค่ปวดกายมันมีความปวดใจเข้าไปด้วย เวลาอากาศหนาวเนี่ยแล้วเราทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายแล้วมันทุกข์ใจด้วยเวลายุงกัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ็บหรือทุกข์ที่กายแนละ้วมันมีความทุกข์กายมันมีความทุกข์ใจซ้ําเสริมเติมเข้าไปด้วยนและสิ่งที่เราทําได้เนี่ยถึงแม้ว่ามันมีความทุกข์กายเกิดขึ้นแล้วสิ่งเราทําได้คือช่วยลดช่วยลดทอนความทุกข์ใจ ด้วยการที่หันมาตามรู้ดูใจของเราถ้าเรามีสติทันเนี่ยนะมันจะทําให้การกระบวนการปรุงแต่งภายในใจที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจเนี่ยมันลดมันบรรเทาลงเช่นเวลากลัวเนี่ยเรารู้ทันความกลัวเนี่ยความกลัวมันมั น, ม, น, ม, นมันบรรเทาลงได้นะรู้ทันความกลัวเวลามีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยนะความหงุดหงิดนะหงุดหงิดเพราะอากาศร้อนอากาศหนาวหงุดหงิดเพราะ ปวดเมื่อยก็ตามนะพอเรามีสติรู้ทันความหงุดหงิดนะค ว, ความหงุดความหงุดก็จะเบาลงมีโทสะเกิดขึ้นแล้วรู้ทันโทสะมันก็จะเบาลงมันก็จะเลยแต่ความทุกข์กายนะแล้วความเจ็บความปวดก็จะลดลงไปเยอะนะนี่ถ้าเราไม่ไม่ไม่มาหมั่นดูรู้ใจนะเราก็จะเรียกว่าสร้างความทุกข์ให้กับตัวเอง โดยไม่รู้ตัวเรากำลังซ้ำเติมตัวเองโดยไม่รู้ตัวเราบอกว่าเรารักตัวเองรักตัวเองนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ทำร้ายตัวเองเป็นประจาแล้วพราะเห็นนี่แหละจึงบอกว่าการที่ถ้าหากว่าเรามีใจเป็นมิตรนะมีจิตเป็นเพื่อนนะจิตมันจะไม่ปรุงแต่งนะ สารพัดจนทําให้ใจเป็นทุกข์จนทําให้เราเป็นทุกข์นะความทุกข์จะลดลงถ้าเรานะมีใจเป็นมิตรนะใจไม่ปรุงแต่งที่จะไปสรรหาความทุกข์มาซ้ําเติมนะตัวเราเองเวลาป่ว ย, ยถ้าเรามีใจเป็นมิตรเนี่ยมันก็จะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเวลาทํางานการงานไม่สําเร็จ มันก็แค่งานไม่สําเร็จนะแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์มันก็ล้มเหลวแต่งานนะแต่ไม่รู้สึกว่าใจล้มเหลวหรือว่าใจเสียหลวงพ่อทำคเขียนเนี่ยท่านพูดอยู่เสมอนะเวลาคนมาถามหลวงพ่อนะเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาแต่ก่อนที่ท่านตอนที่ท่านมา ช่วงประมาณห้าหกปีแรกหรือเกือบสิบปีเนี่ยที่ท่านอยู่ที่นี่นะท่านก็ทํางานพัฒนาชุมชนเยอะทั้งที่ท่ามาไฟแล้วก็ที่นี่แล้วก็ไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่คนก็ถามถามทํำงานของหลวงพ่อเนี่ยนะคือหลวงพ่อคิดว่าสําเร็จไหมหลวงพ่อว่างานไม่สําเร็จงานล้มเหลวแล้วท่านก็พูดต่อไปว่างานล้มเหลวแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวหมายความใจท่านเนี่ยไม่ได้ทุกข์ด้วยนะมันก็แค่ ง, งาน ไม่สำเร็จแต่ว่าใจไม่ทุกข์แต่หลายคนเนี่ยพองานล้มเหลวนะใจก็ทุกข์นะแล้วก็ไปโทษไปโทษคนนั้นคนนี้ที่เราคิดว่าทําให้งานล้มเหลวนะแต่ที่จริงไม่ใช่เนะี่ยคนที่ใจเป็นปกติแม้งานไม่สําเร็จนี่ก็มีนะเพราะว่าเขาวางใจเป็นแต่ไม่อไหร่ก็ตามที่เราทุกข์ เมื่องานไม่งานไม่สำเร็จนะงานล้มเหลวเนี่ยให้รู้ว่าสาเหตุแท้จริงที่ทำให้ใจทุกเนี่ยมันไม่ใช่งานล้มเหลวหรอกมันก็คือการปรุงแต่งในใจการวางใจไม่ถูกการไปยึดติดถือมั่นว่างานกูงานกูงานของกูงานนั้นคือตัวกูของกูพองานไม่สำเร็จก็ตัวกูก็ไม่สำเร็จพองานล้มเหลวตัวกูก็ล้มเหลวด้วยไอกระบวนการที่ปรุงแต่งภายในใจเนี่ยสาคัญมากนะ ที่เราต้องรู้ทันมันเพราะเห็นนี่แหละการภาวนาเนี่ยจึงสําคัญเพราะการภาวนาเนี่ยทาให้เราเนี่ยหันมารู้ทันอาการปรุงแต่งขึ้นในใจหรือความรู้สึกเป็นลบนะที่เกิดขึ้นในใจและถ้าเรารู้ทันมันเนี่ยเพียงแค่รู้ทันมันเนี่ยมันก็ช่วยลดช่วยบรรเทาไปได้เยอะเวลาเราปฏิบัตินเนี่ยหลายคนบอกว่าเบื่อเบื่อแล้วก็เบื่อแล้วก็โทษว่าเบื่อเพราะว่าหรือทุกข์เพราะว่า มันเดินซ้ำๆานะไม่มีไม่มีอะไรเลยจริงจริงมันไม่ใช่หรอกนะมันเป็นเพราะใจเราต่างหากขณะที่เดินกลับไปกลับมาใจเราก็จะนึกถึงสิ่งสนุกสนานที่เราพลาดเราเราอยากจะเสพนะแต่เราไม่ได้เสพเราไม่ได้สัมผัสมันนะคนอื่นเขาได้เสพได้สนุกแต่เราไม่ได้สนุกด้วยเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เกิดการเปรียบเทียบทําให้ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อเพราะมันมีตัวเปรียบเทียบนะว่ามันมีอื่นอย่างอื่นที่สนุกกว่าแต่ที่เอามาเปรียบเทียบเพราะใจมันปรุงแต่งแต่ถ้าใจไม่คิดนะมันก็ไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการเปรียบเทียบการเดินการปฏิบัติก็ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเบื่อที่จริงสบายสุดนะเพราะเป็นช่วงที่เราไม่มีภาระอะไรเลยไม่มีภาระอะไรทั้งสิ้น ก็แค่เดินไปเดินมาแค่นั้นแหละไอการทํางานยากลําบากไปเยอะบางคนเป็นเป็นพยาบาลบางคนเป็นหม อ, อต้องรับผิดชอบเสี่ยงต่อช่วยคนไข้รับภาระมีภาระแบกควารับผิดชอบมันลําบากกว่ า, าตายนะไม่เหมือนการเดินจงกรมไม่ต้องรับภาระอะไรเลยเนะบยงเน่ดูแลกายและจใจตัวเองแค่นั้นเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการการเจริญสติเนี่ยสำคัญมากเลยนะถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราต้องมันนะใช้สติเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนตาในเนี่ยเข้ามาดูใจของเราแล้วเราก็จะรู้เลย ว, ว่าเนี่ยความความรู้อย่างได้ที่มันจะเกิดขึ้นกับใจเราก็คือหรือสิ่งที่ใจจะบอกบอกเราก็คือว่าทุก์เพราะการปรุงแต่งในใจไม่ใช่ทุกเพราะสิ่งภายนอก และถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเปิดทางไปสู่ความไม่ทุกข์ได้คำนี้ก็พูดกันท่านนี้ก่อนอกลับ่าพร้อมกัน